ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระพุทธยานในราการพิเศษได้ประกบประวัติของพระพุทธเจ้าในช่วงที่ยังเป็นพระพุทธสั์ยังไม่ได้ศัต ร, รู้เราสามารถเป็นแบบในการดำเนินชีวิตของบุคคลได้ทุกลำดับขั้นตอน ปัจจุบันที่เราเรียกถึงโลกัศน์วิสัยัศน์หรือชีวทัศน์เป็นการมองโลกเป็นอง์รวมแล้วก็มองเห็นเป็นกระบวนการที่ทยอยกันไปเป็นคลื่นเป็นกระแสจนในที่สุดก็ทรงมองเห็นว่าปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานั้น สืบเนื่องมาจากการเกิดถ้าสาใดที่เรายังมีการเกิดความแก่ความเจ็บความตายการพระทรากสูญเสียก็ย่อมจะมีอยู่สาวนั้นแล้วกระสงมองเห็นว่ามันเป็นวงจรที่ไม่มีจุดจบเราก็เห็นแล้วว่าเป็นทุกข์ซ้ำซ้ำับสา กาปรารถนาที่จะช่วยพระองค์ให้หลุดรอดจากความทุกข์และเมื่อพระองค์ช่วยพระองค์ได้แล้วก็จะช่วยคนอื่นให้หลุดรอดเช่นเดียวกันในการแสวงหาทางาสัตส์รูนั้นปู้สังเกตว่าก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะไปทางไหนแต่ถ้าเราไปศึกษาในพระสูตรบางสูตรเช่นมาฮีนาทสูตร สแสดงว่าทรงทดลองเยอะเหลือเกินบางครั้งก็ต้องทุกข์ทรมานเป็นนมากแต่บางตอนก็มีการสืบต่ออยู่ในปัจจุบันคือหมายความว่ายังมีอยู่ในคำพีพระพุทธศาสนาในปัจจุบันเพียงแต่ว่ามันเป็นอีกช่วงหนึ่งไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่จะยุติการเวทว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ เป็นการปฏิบัติระดับที่ตกแต่งภพชาติในประณีตมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติพัฒนาจิตในก่อนพระพุทธเจ้าเนะี่ยมันก้าวหน้าขึ้นไปถึงอนุรูปชาตนะหมายความว่าได้เข้าถึงสมาบัติแปดแบบยิงแต่ว่ามันก็ทําให้คนบังเกิดเป็นอรูปภพลม ก็คงเกิดคงแก่คงเจ็บคงตายแต่ว่าอาการมันไม่เด่นเป็นอาการของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนตาเช่นเดียวกันก็จบลงด้วยการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเดิมแล้วในที่สุดก็ส่งศึกษาค้นคว้าแล้วด้วยวิธีอื่นๆ เรจบลงด้วยการจัดสรู้อย่างที่เราทราบเพราะการจัดสรู้นี่คือการประสบความสำเร็จก็เราเรียกได้ว่ามาจากการทําการงานอย่างดีอย่างหนักแล้วไม่ใช่อาศัยเหตุปัจจัยเฉพาะในขณะนั้นปัจจัยเสริมที่มีความสำคัญก็คือบารมีธรรมดังกล่าว ที่เคยพูดเรื่องพุทธชัยมงคลว่าก่อนจะสัตรูนั้นมีพยามามมาพิจดพระจพเจ้าก็ใช้บารมีสามสิบทัตเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เพือแสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นผู้มีบารมีธรรมเป็นนันมากแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะนั่งในสถานที่นั้น แต่ในที่สุดก็ได้จัดสรุเป็นประวัตจาประเด็นที่น่าจะมองเพื่อ น, นำเนินตามก็คือการจัดสรุการจัดสรุนั้นเป็นผลสรุปทางจิตหรือถ้าเราพูดจากอริยมรรค ก, ก็หมายความว่าศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์หรือมากคว่า8ประการสมบูรณ์ มันจะเกิดความรู้ผุดขึ้นภายในพระไตยของพระองค์เรียกว่าสมมยญาณนะคือความรู้ในทางที่ชอบแล้วก็ทำให้พระไยรองคงหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์อย่างสิ้นเชิงจากขณะนั้นเป็นต้นมาพราะลักษณะของการทำให้ความรู้มันผุดขึ้นเราก็คงไม่ถึงกับต้องไป ปฏิบัติระดับนั้นแต่เพียงว่าทำยังไงจะใช้ความสงบในด้านจิตใจแล้ ว, ลวก็จะมีปัญญาผุดขึ้นมีผลมีสติปัญญาเกิดขึ้นจะน้อยที่สุดเวลากระทบกับอารมณ์อะไรต่างๆไม่ว่าจะอารมณ์ลักษณะยยยุรืเ้ยยนก็ตาม ก็หยุดรู้จักยับยั้งชั่งใจคือหยุดคิดหรือฉุกคิดก่อนจะตัดสินใจทำอะไรลงไปพูดอะไรลงไปเพื่อให้จิตมันพร้อมที่จะใช้เหตุผลสติปัญญาไม่มีลักษณะฟีพรมหรือตอบอะไรครงพรือร อ, ออกไป ยุคสมัยตรงนี้การยับยั้งชั่งใจเนี่ยมีความจำเป็นสูงเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์นกลไกต่างๆเป็นนั้นมากก็ยังนึกๆ น, น, นะฮะว่ามันก็คล้ายๆกับเราอยู่ในป่าและปะปนกับสัตว์เป็นนั้นมากเนี่ยต้องระมัดระวังสูงเราก็าจริงแล้วเราก็ควบคุมอะไรเขาไม่ค่อยได้เครื่องยนต์กลไกเองก็มีลักษณะอย่างนั้น ปฏิมนุกโถคุมไม่ได้ต่างทานที่เป็นเจ้าของครอบครองอยู่ก็นําเจ้าของไปประสบอุบัติเหตุซึ่งจําเป็นจะต้องรู้จักจับยั้งชั่งใจระมัดระวังมีการสรวจสอบเทียบเคียงกันพอสมควรเพื่อลดความรุนแรงของอารมณ์หรือลดความรุนแรงของบัติเหตุลงไป พระพุทธเจ้านั้นทรงทำลายกิเลสอย่างสิ้นเชิงจิตได้ชื่อว่าอารหังแต่เราก็คงไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิ้นเชิงหรอกคือทำยังไงจากบูชาพระองค์โดยการเพิ่มพูนปัญญาระดับความคิดที่มีเหตุผลมากยิ่งขึ้นจนสามารถใช้ปัญญาเนี่ยหยุดตัวเองได้ ห้ามตัวเองจากอารมณ์ที่เป็นขาาศึกได้หมายความว่าถ้าทําไปตามที่คิดในขณะนั้นความเสียหายก็จะเกิดขึ้นเป็นืัอยมากก็หยุดกวาคิดตรงนั้นไวยเสียเป็นการห้ามใจจากบาปจะใช้สติหรือใช้ปัญญาปัญญาในใช้ในลักษณะตะัดสติในใช้สนับในลักษณะลึกแล้วก็ปิดกั้นเอาไว้ มันไม่ถึงกับหมดไปแต่ว่าก็คุมไม่ได้ภายในจัดเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติเพราะการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวิสซาคาบูชาเนี่ยอยากที่บอกแล้วว่ามันจะเน้นไปในทางปฏิบัติบูบชา คือบูชาด้วยการปฏิบัติตามกิจกรรมที่จัดขึ้นพวกนิทริการพวกโต๊ะหมู่บูชาพวกประกวดการขับร้องบทสัรเสริญพุทธคุณธรรมคุณแบบสารพันอย่างตลอดทั้งกิจกรรมเหล่าอื่นเนี่ยการอภิปรายการบรรยายธรรมการจเจริญกรรมาฐาน ทั้งหมดเดี่ยวมันก็ดำเนินไปบนคันลองแห่งศีลสมาธิปรรัญญาหรือวัฏฐานศีลภาวนาเดินในลักษณะที่ค่อนข้างต่อเนื่องคือที่จริงถ้าเรามีสัปดาสัปดาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นอยู่เรื่อยๆมันจาน่าจะมีสัปดาศึศกษาธรรมปฏิบัติธรรม เวเนียมีโครงการต่างๆเจ็ดในวงการตำรวจเนี่ยเข า, เาตำรวจไปเข้าไข่ตั้งหกมืนกว่าคนระยะเวลาสองามปีมาเนี่ยแล้วต่อไปก็มีโครงการที่จะเอาระดับนายพลเข้ารู้สึกว่าเจ็ดคืนแปดวัน ก็เอาจริงเอาจังคือติวเข้มกันพอสมควรมันมีลักษณะคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับไฟมันอ่อนแล้วก็ชาติไฟฟ้ากำประใหม่เพื่อเสริมประสิทธิภาพของฐานตรงนั้นหรือแบตเตอรี่ตรงนั้นให้มีกำลังไฟเพิ่มพูดมากยิ้งขึ้นจิตใจของเราที่ใช้ไปบางทีมันก็ไหล นอนไวไปกับอา ร, รมณ์ต่างๆวันนี้บุงสังเกตว่าเช่นเราไปอยู่ในสถานที่ใดที่หนึง่งเข้าไปในสถานที่ใดที่หนึง่งในตอนแรกๆบางก็ไม่เคยมีอะไรแต่ว่ามีการกระตุ้นเร่งร้าวเชิญชวนชักชวนมากยิ่งขึ้นในสถานที่นั้นอาจจะลุกขึ้นเต้นแรง้งเต้นกากันเป็นการสนุกสนาน นั้นแสดงว่าใจมันถูกบีบไปเลื่อนไหลไปตามกระแสของอารมณ์ที่คิดกันว่าตรงเนี้ยคือเพลิดเพลินสนุกสนานแต่ก็ไม่ได้ถามว่าสนุกสนานไปเราจะได้อะไรคือความสนุกกับความสุขเนี่ยที่จริงมันต่างกันโบราณเรียกว่ารักสนุกก็ทุกข์ทันที เพลนไอสนุกเนี่ยมันจะมีแนวของกาลมาคุณมีการปรนเปรือมีการตอบสนองในด้านประสาทสัมผัสในสูงแต่มื่อสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแต่ความสุขเนี่ยเป็นความสงบซึ่งเกิดขึ้นภายในไอความสุขส่วนด่างกายก็ส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยในความมสุขภาพพลานามัยเราไม่มีปัญหา มันก็ขอให้เกิดความสุขแต่ถ้าจิตมีปัญหามันก็สุขไม่ได้เพราะวจิตเป็นตัวสวยจิตเป็นตัวรับรูค้คือความทุกข์มันเกิดขึ้นที่กายในกายมันไม่รู้อะไรหรอกแต่จิตเป็นตัวรู้เป็นตัวเสวยอารมณ์แ่บนั้นแต่ถ้าหากว่ามีการพยายามปฏิบัติพัฒนาจิตควบคุมจิตตัวเอง โดยวิธีอะไรก็ตามนะเกิดสงบอยู่ในเรื่องเหล่านั้นแม้แต่การทำบุญตักบาตรในสมัยโบราณที่ท่านใช้กันเนี่ยปัจจุบันก็ใช้กันนั่ในในะเกรงใจว่าถ้าดูกระบวนการทางจิตการควบคุมทิศทางความคิดมันเป็นการทำจิตให้สงบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะอะไรเพราะว่าก่อนจะนอนหลับเนะี่ยจะก่อนจะนอนเนะี่ยท่านก็จัดเตรียมข้าวของไว้ที่จะทำบุญดักบาตรตอนเช้าพอก่อนจะนอนก่อนจะหลับก็มันมีความคิดว่าจะลุกขึ้นมาทาบุญดักบาตรคือจิตมันหลับไปด้วยกุศลในจิตเพราะในช่วงที่หลับสุขภาพจิตก็ดีไม่มีการขวัญร้ายอะไร พอตื่นขึ้นมาจิตตุปบัตแรกของเราก็คือลุกขึ้นบบทำบุญรักบัตรหลังจากนั้นก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเตรียมข้าวของเพื่อจะทําบุญรัก บ, บัตรใจมันก็อยู่กับเรื่องกุศลนั่ น, น, นจนถึงว่าทําเสร็จก็ไปรอคอยพระจิตก็คิดถึงพระพอพระมาก็มีความพอใจดีใจแล้วก็ตกักบัตร สัดาแล้วก็แสดงสมาคารวจอธิฐานใจอยู่ที่ส่วนกุศลอะไรก็ตามใจมันก็ไหลไปในกระแสของกุศลอย่อยางเงี้ยทีนี้มันเกิดการสะสมบ่อยๆพอะสะสมบ่อยๆสุขภาพใจมันก็ดีเราจะเห็นว่าคนที่ให้ทานมาปกตินี่หน้าตาจะแช่มชื่นเบิกบานแจ่มใส เพราะว่าจิตใจมันมีความสบายแต่ว่าการน่ทานบางครั้งบางคราวมันไปกระทบเรื่องเศรษฐกิจแล้ว่าควรจะมองไปที่ศีลกับเวนนบายยมุกประการรักษาศีลกับเว้นบายมาารราบบายมุกนั้นที่จริงเราไม่เปลืองต่างทั้งสองอย่างนะประหยัดได้เยอะแล้วก็สุขภาพจิตมันจะดี เพในแวดวงของอบายามุกนี่วันก่อนก็มีคนก็ถามเป็นทํานองคล้ายๆกับคนท่าเป็นท่าของอบายามุกเนี่ยมันจะเป็นคนเลวทรามอะไร ต, ตนนิดต่อกันก็เราจะเห็นว่าอบายามุกเนี่ยมันมันไม่เชื่ถึงศีล น, นะฮะคือศีลเนี่ยมันเป็นความผิดสา ก, กลเนี่งศีลสีข้อแรกแต่มนันความผิดสา ก, กล อภัาามุกต์มัเป็นเรื่องของการสมมติขึ้นมาได้มันเป็นเรื่องสังคมเป็นเหตุแห่งความเสื่อมของบุคคลภายในสังคมแต่ลองสังเกตเช่นว่าการพ น, นันเนี่ยก็จะพูดเฉพาะผู้เล่นการพ น, นันนักเลงการพ น, นันว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมเมไม่ได้พูดเจ้าของบอ่อนนะเขาไม่ได้พูดเจ้าของคาสิโนทั้งหลายเพียงแต่ว่าคนเหล่านั้นหากินในทางไม่สุดจะดิบแต่นั้นเอง มันผิดธรรมะมันผิดธรรมะระดับสมาชีพคือไม่ถึงก็เป็นอาทิตนาทานแต่ผิดธรรมะระดับสมาชีพแต่เราจะไปคิดว่าเขาเป็นคนเลวไม่ได้เพราะไม่ได้ประกอบวิญญากรรมอะไรการพนันบางทีก็เอาในที่บางแห่งกําหนดเป็นคาสิโนถูกต้องตามกฎหมายอราก็เล่นได้แล้วก็พอไปขโมยเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ผิดกฎหมาย ในงานศพอนุญาตให้เล่นเอาก็ถูกกฎหมายคือมันเป็นระดับกฎหมายและเป็นระดับสังคมพระเจ้าจึงทรงแสดงในระดับธรรมะไม่ใช่เป็นระดับศีแลแปลว่าทางแห่งความเสื่อมทุกข้อเนี่ยคนจะเสื่อมแต่ว่าเป็นกระบวนการของกรรมนะฮะคือหมายความว่าเป็นกรรมที่คนเหล่านั้นเขาจะได้รับด้วยตัวงเขาเองแล้วก็คนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแน่นอนว่าโอกาสจะนำไปสู่อาชญากรรมนันก็มีได้แต่อาชญากรรมมันก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึง่งเช่นว่าไปเกิดการทะเลาะวิวาทชกต่อยกันมันก็เป็นเรื่องปานาติบาดไปไปถึงก็อาจจะไปชกโกงกันมันก็กลายเป็นอาตินนาฐานไปการประนามก็กลายเป็นตัวเชิดที่จะนำไปสู่อาชญากรรมในลักษณะนั้น สถ า, ถามว่าบาปไหมก็ที่จริงก็บาปะนะฮะมันก็เกิดความโลภแต่อย่าลืมมันไม่ใช่ความโลภแบบรักมันเป็นความโลภแบบสมัครใจมาเสี่ยงกันเกิดต่างฝ่ายต่างประยากได้แต่ว่าผลที่เห็นนี่ชัดเจนนะว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อไรเมื่อแพ้ที่พระเจ้าทรงแสดงว่าแพ้ก็เสียดายทรับย์พอช น, นะจะชนะอีกอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่ชอบ มันก็มีมีผูกใจเจ็บที่จะต้องการเอาชนะเราตลงวิญใจมันก็หมุนบ่นอยู่ระหว่างแพ้กับชนะชนะก็ก่อเวรแพ้ก็เสียดายสักในแวทวงที่จิตใจไม่ค่อยส ง, งบนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นอัจยาิกรเป็นฆาตรกรเพราะถ้า อ, อัจยากรฆาตรกรแล้วต้องผิดระดับศีล น, นะมันไม่ใช่ผิดระดับธรรมะให้ลองสังเกตนะ มันเป็นความเข้มข้นของกิเลสจนถึงจุดหนึ่งก็ออกเปน็นอัตยากรรมตรงนี้ก็เป็นขนทั่วจริงๆแต่ว่าถ้ามันจางลงจางลงจางลงเนี่ยมันไม่ถึงกระทบไกลก็ท่านแนวมนโนทุจจดิตมันก็ยังชั่วยอยู่นั่นแหละแต่เราก็พูดระดับสินธรรมจัร ญ, ญานะระดับสินธรรมยัญญาว่าไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่น นั่นก็คือระดับที่จะต้องระบาดระวงังเพราะว่าผลสนองตอบเนี่ยมันกินเวลาคือหมายความว่าถ้าเบียดเบียนตนเองพอทำเน่าหน่อยนะถ้าเบียดเบียนบุคคลอื่นแล้วก็อาจจะกลายเป็นอาชญากรรมแล้วก็นำความทุกข์มาสู่ตัวเองมากกว่าที่ตัวเองทำให้แก่คนอื่นการปรารถ วันประสูตรสัสรู้สเด็จดับขันธเปมนิพพานของพระพุทธเจ้านก็เพื่อเชิญชวนจักชวนให้พุทธศาสนิกชนคือไม่ใช่เป็นเน้นเฉพาะรูปแบบพิธีกรรมแต่การเวียนเทียนนั้นก็ใช่นะฮะถ้าจิตเราน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสง์อยู่เรื่อยๆมันก็เป็นอนุสติื่อทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้น มันก็เป็นทางทางอเมธสบูชานะดอกไม้ทุกเทียนใน่เราถืออยู่ก็เป็นอเมธสบูชาแต่ว่าถ้าจิตน้อมเรารึกถึงพระพุทธคุณกูมันก็เป็นอนุสติกรรมฐานอ่อนๆนะคือมันไม่ถึงกับเต็มที่แต่ว่าแตอนเราทำอยู่บ่อยๆเวียนอยู่บ่อยๆก็ใจก็จดจ่ออยู่ที่พระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณถูกกว่าจิตก็จะดีขึ้น แต่ตรงนี้ทั้งนั้นถ้ามีโอกาสว่างพอเราก็ไปถ้าไม่มีโอกาสว่างพอก็ใช้วิธีอยู่ที่บ้านเพราะว่าการทำความเป็นจริงถ้าคนกรุงเทพไปที่สนามลวงกันหมดมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนั่นแหละสนามหวงบจุคนไม่เท่าไรแร้วพื้นที่หกสิบเก้าไร่แต่นั่นเองและที่เราใช้เนี่ยมัอครึ่งครึ่งหนึ่งของสนามลวง แล้วก็ยังมีที่จอดรถอีกเป็นนั้นมากแล้วกิจกรรมส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีการถ่ายทอดออกอากาศพวกอภิปรายนะพวกปาทกถาก็ยังมีความคิดว่าโดยการที่มีพระมาบรรยายเราจะนำไปออกอากาศในสถานีวิทยุในโอกาสอันควร แต่ที น, นี้มันก็เป็นปัญหาอีกแหละเพราะว่าผู้ที่ท้องสนามรลงมันจะยาวแต่ว่าการออกอากาศทำรายการต่างๆเนี่ยเราก็มีไม่เกินไม่เกินชั่วโมงนะฮะอย่างมากก็ประมาณสี่สิบห้านาทีก็ทำให้ไม่มีการติดต่อกันแต่ว่าในส่วนหนึ่งวันสำคัญโดยเฉพาะวันที่สิบเอ็ดกับวันที่สิบเจ็ดเนี่ย จะพยายามถ่ายทอดสดก็มีนายทานก็รับไปประสานเพื่อให้เกิดทีวีพูนแต่ช่วงก็คงไม่ยาวแล้วนะทีวีพูนเนี่ยคงจะยาวสักชั่วโมงหนึ่งอะไรตอนนี้ในช่วงงานปิดกับเปิดงานเพื่อให้คนได้ได้พบได้เห็นแต่ท้ายดีแล้ววันวันแรกวันที่ส1บเอ็ดเนี่ย จะมีคนมาพร้อมเพียงกันเบียนเทียพร้อมรอมเพียงกันในพิธีเปิดงานมากมันก็เป็นการดีคือเป็นหน้าเป็นตา ย, ยังตั้งใจในะฮะกระทรวงต่างประเทศเขามีหนังสือมาติดต่อมาเราต้องการจะทำวีดิทัพเพื่อนำไปเผยแพร่ต่างประเทศในกิจกรรมพิธีกรรมในวันวิสาขบาูชา ถึงหมายความมาต้องค ง, คงจะต้องมีการถ่ายทำกันไปเป็นตอนตอ น, ตนแล้วเพื่อเห็นเป็นความต่อนเนื่องว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเป็นตัวหลักอะไรเป็นตัวเสริมรกิจกรรมเหล่านี้ที่จริงข้างหลังเขาก็ะึ่งนะฮะเขาเห็นนะเขาก็ะึงโดยเฉพาะการที่มีคนมานั่งสมาชิการที่แต่ไม่จะทำแบบ question show ค, คือที่เราทำเราจะทำโดยปกติธรรมดา หมาความว่าคนพอใจจะนั่งยังไงก็นั่งแล้วก็นึกถึงความสวยงามเรียบร้อยด้วยสำนึกของท่านเหล่านั้นเองเพราะมุ่งไปในการทำบุญเผื่อเกิดเป็นความสุขความสงบขึ้นภายในจิตใจสึ่งเราก็อยู่ที่ไหนก็พร้อมจะทําได้นะในด้านของการปฏิบัติบูชาต้งฟังเนา่าไร แต่ร่มพระโพธิญาณในรายการพิเศษฉบับ น, นี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาในท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบูุ์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี